เราก็ได้สวดพิจารณาที่เรียกว่าบรรพชิตนะควรพิจารณาหนึ่งเือสิบประการหรือว่าสิบอยา่างบรรพชิตก็คือผู้ที่ออกบวชออกบวชก็คือออกจากเรือนแล้วนะไม่เกี่ยวข้องเรือนแล้วนะหรือความเป็นพิษุนะพิสุก็คือความเป็นผู้ที่เห็นภัยนะ เห็นภายในอะไรเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภายในการเวียนว่ายได้เกิดเห็นภายในพบน้อยพบใหญ่ทั้งหลายก็ดีมันมีภัยมันมีทุกข์มันมีโทษอยู่ในวัฏสงสาร ต, รต่างๆเหล่านั้นหรือความเป็นพระนะพระคือผู้ที่ประเสริฐผู้ที่มีจิตใจดี หรือความเป็นแม่ชีก็คงเป็นตัวแทนของพิสุนีนที่มีในสมัยพุทธกาลสมัยนี้ก็เป็นผู้หญิงที่ออกบวชก็เป็นแม่ชีหรือแต่ที่จริงพวกเราตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นอนาธิกะก็ได้ก็คือผู้ที่ไม่มีเรือนออกจากบ้านละเป็นอนาอนาธิกะสัญจรไปค่ำไหนนอนนั่นนะไม่มี เรียกว่าไม่มีที่หลับที่นอนที่ที่แน่นอ น, นเป็นผู้ที่สแสวงหาผู้ที่สแสวงหาโมกขธรรมะพวกเราถือว่าเป็นผู้นาลิกะจาริกไปตำแหน่างตาจาริกไปเพื่อสแสวงหาโมกขธรรมโมกขธรรมคือธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นความบริ ส, สุทธิ์ก็คือ หรือว่าเป็นความหลุดพ้นก็ได้โมฆะคือความหุดพ้นนี้แหละคือถ้าพวกเราได้พิจารณาเจ้าคำใดคำหนึ่งความหมายใดก็ได้แต่จริงมันก็เป็นสิ่งเดียวกันนะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นสิ่งที่เป็นจุดหมายของการเดินทางภายในของเราถ้าเราพิจารณาในความเป็นบันเิคิตของเราเองในความเป็นพระ ในความเป็นพิสูจในความเป็นผู้ที่ อ, ออกแสดงหาความหลุดพ้นแม้เราจะอยู่ในเพศแตกต่างกันเลยสมมุติแต่จริงจุดมุ่งหมายของเราเป็นจุดเดียวกันก็คือเพื่อให้เข้าถึงความวิ ม, มุตติหุดพ้นในทางจิตใจนี่แหละคือการเดินทางภายในที่แท้จริงถ้าเราอาศัยการเดินทางภายในตัว น, นี้เป็นเป้าหมายของชีวิต า ก, า ก, กิริยาอาการทั้งภายนอกหรือว่ากิริยาอาการทางวาจานะ่มันก็จะต่อแสดงถึงกิริยาที่มันแสดงที่มันมีในจิตใจนี่แหละนะถ้าเรารู้จักรู้เท่าทันจิตใจของเราแล้วกิริยาอาการในกายหรือวาจามันก็จะเรียบร้อยก็จะต่อสํารวมมากขึ้นก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าสงบนะสงบจากกิเลสนะคือความเป็นสัมมณะ สัมเนคือผู้ที่สงบนะไม่ใช่สงบแบบสมถะแต่สงบแบบสงบจากกิเลสกิเลสมาสงบแล้วนะกิเลสมันหมดเยื่อใหญ่แล้วนี่คือผู้ที่เป็นสมณะที่แท้จริงเนี่ยเราก็กแสดงเราก็พยายามที่จะเดินทางเพื่อให้เพื่อให้ถึงเป้าหมายตรงนี้อาจจะเป็นคําใดก็ได้ขอให้เราเระลึก ก, ก็เตือนใจของเราอยู่เสมอเมื่อเราเอาคํา เอาความหมายัวนี้มาเตือนใจเราเราก็จะได้ตระหนักนตระหนักในการที่เราจะทำความเพียรให้มากขึ้นไปไม่ใช่เอาคำเหล่านี้เอาคำเพืเ่อนนี้มาเพื่อมาตอกย้ำให้เธอเองเศร้าหมองนะให้เธอเองเกิดความปวดหูวว่าทำไมจิตใจของเรามันห่างไกลจากคำเหล่านี้จากกิริยาเหล่านี้หรือจากรูปแบบที่พวกเราโน่มแบบนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นไปแบบนั้นพระพุทธองค์ท่านให้อาศัยถึงต่างๆเนี่ยมาเตือนเพื่อยกระดับจิตใจตนให้สูงขึ้นนะมันเป็นไปได้ยากที่ผู้ที่จะออกบวชก็ดีผู้ที่สแสวงหาทางบุคคลก็ดีนะมันไม่ใช่เหมือนสมัยพุตกาลซึ่งส่วนก็มีส่วนหนึ่งซึ่งมันรู้ทำแล้วแล้วค่อยออกบวชนะแต่สมัยรุ่นต่างๆจะหาบุคคลประเภทนั้น ก็เป็นไปได้ยากนะมีน้อยมากนะหรืออย่างที่พวกเราอาจจะพอรู้อย่างที่พวกเรานับถือเคารพปฏิบัติกันต่างเ mm hmm. ช่นหลวงป mm ู่เทียนท่านเข้าใจธรรมะแล้วท่านถึงออกบวชเพื่อที่จะสอนธรรมะแต่ส่วนใหญ่พร ะ, ะทั้งหลายก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่มีก็เป็นปุถุชนคนธรรมดานี่แหละนะซึ่งก็ออกบวชตั้งแต่ตอนตอนที่มีกิเลสหนาปัญญายากเช่นเดียว ก, กับพวกเรา แต่ท่านก็ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจนท่านขัดเก่าจิตใจแล้วก็เข้าถึงความวิมุตติพ้นได้นะคุบาอาจารย์หลายรูปรเราเคยได้ยินประวัติมาก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกั น, นมีความโลภ ค, ความโกรธความหลงมีอุปสรรคมีนิวรมีสิ่งที่ต้องต่อสู้ต้องขจัดขัดเก่าขัดเก่ามากมายเช่นเดียวกันกับพวกเราเนี่แหล ะ, ะดังนั้นการที่เราตระหนักตัวนี้ก็ ไมใหะหนับว่าเราก็เป็นผู้ที่กําลังเดินทางอยู่เช่นเดียวกันนแต่เราเอาคําต่างๆนีม้มาเตือนใจของเราอยู่เสมอเพื่อเราจะได้ขัดเกลาจิตใจเพื่อเราจะได้ยกระดับจิตใจหรือพวกเราราหือเพื่อพวกเราจะได้เดินเข้าใกล้จุดหมายปลายทางให้มากที่สุดอันนี้แหละคือสิ่งที่เราคอยเตือนอยู่เสมอในการทําความเพียรแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาจุดหมายมาเป็นตัวที่คอย แล้วลึกแล้วก็นึกถึงแล้ ว, ลวใจก็เป็นจัดจอหรือเฝ้ารอที่จุดหมายก็ไม่ใช่ที่จริงจุดหมายของการเดินทางมันอยู่ทุกขณะอยู่ที่ปัจจุบันหรือจะเรียกว่าจุดหมายทุกย่างก้าวก็ได้ทุกครั้งที่เราเดินทางจะเป็นการเดินด้วยเท้าก็ดีหรือเป็นการเดินด้วยการยกมือก็ดีหรือเป็นการเดินด้วยการดูลมหายใจก็ดี หรือเป็นการเดินทางในการดูจิตใจของ ต, งตัวเองก็ดีเพรานั้นแหละก็เป็นการเดินทางให้ถึงจุดหมายก็คือความไม่ทุกข์ความหลุดพ้นตรงนั้นให้เราเอาจุดหมายที่ที่เหมือนจะสูงสุดเหมือนจะไกลตัวเอามาไว้ใกล้ๆตัวที่ปัจจุบันเราเนี้น่ยนะทุกครั้งที่เรากำลังทําอะไรขอเพียงแค่รู้สึกตัวแล้วก็ใส่ใจในสิ่งที่กำลังกระทำตอนนั้นแหละเราเข้าถึงจุดหมายแล้วไม่ใช่เพียงแค่เข้าใกล้นะ เราเข้าถึงเลยเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าตนหนักรู้รู้ตัวชัดเจนนะรู้แบบผู้รู้รู้แบบรู้ตื่นเบิกบานเมื่อนั้นแหละเราเข้าถึงความไม่ทุกข์เข้าถึงความหลุดพ้นอ น, นั้นเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ระลึกถึงจุดหมายที่ปัจจุบันทันทีนะเมื่อไรที่มันเครียดเมื่อไรที่มันโกรธเมื่อไรที่มันทุกข์กลับมารู้สึกตัวมันก็เกิดถึงความไม่ทุกข์แล้วเมื่อไรที่ใจลอยไป จะลอยเรื่องฟุ้งซ่านอะไรก็แล้วแต่หรือเมื่ อ, อไรที่ใจไปหวังแต่ผลจะได้มรรคผลนิพพานอะไรให้กลับมารู้สึกตัวเมื่อนั้นแหละความสงบมันก็เกิดขึ้นความไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นนี่นแหละเป็นจุดหมายที่ที่สําคัญมากถ้าพวกเราเข้าถึงจุดหมายคือความไม่ทุกข์ที่ปัจจุบันหรือความรู้สึกตัวที่ปัจจุบันแล้วเมื่อนั้นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจุดหมายที่เป็น เรื่องใหญ่มันก็เกิดจากสิ่งเล็กๆตรง น, นี้แหละนะเกิดจากความรู้สึกตัวทุกขณะนี่แหละนะขอให้เราได้ใส่ใจทุกย่างก้าวที่เดินนะเดินทุกครั้งก็พยายามรู้สึกตัวทุกครั้งนะจะหายใจทุกครั้งก็พยายามรู้สึกตัวทุกครั้งหรือจิตใจเกิดอารมณ์เกิดอาการอะไรเกิดขึ้นก็พยายามรู้ทันมันให้เร็วที่สุดนะคือที่จริงก็ไม่ใช่ว่าจะบางทีมันก็ไม่ไรู้พร้อมกันไปทั้งหมด แต่อะไรที่มันเกิดขึ้นมันเด่นในสภาว่ธรรมในปัจจุบันเรารู้สึกตัวที่ตรงนั้นนะจะเป็นกายที่เคลื่อนไหวส่วนใดก็แล้วแต่เขาปรากฏชัดเด่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวรู้แบบเป็นผู้รู้มีสติเป็นผู้รู้ดูอาการของกายที่มันถูกสติรู้นะถูกจิตรู้อีกทีหนึ่งอะไรก็ได้มีค่าเท่ากันนอะมีค่า ให้เห็นว่าปัจจุบันนี้กายมันแสดงอาการแบบไหนการมันเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรกายมันบังคับได้ไหมเห็นตรงเนี้ตติเป็นเพียงผู้เห็นเป็นเพียงแค่ผู้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของกายการบังคับไม่ได้ของกายจิตใจก็เช่นเดียวกันเมื่อความคิดปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นหรืออารมณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์หรือความเฉยเฉยเกิดขึ้นมา เราก็มีสติคอยรู้ว่าพ่อจิตใจมันเป็นเช่นนั้นสติเป็ น, นผู้รู้ผู้ดูว่าจิตใจมันมีอาการเช่นนั้นแต่จิตใจก็ไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เขามันเป็นแบบนั้นของมันเองมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็เพียงแค่รู้ว่าผลมันเกิดขึ้นอย่างไรอันนี้เราก็มีสติในการดูแบบนี้เมื่อเราดูแบบนี้ได้บ่อยๆนาะจิตมันก็จะเกิดความเป็ น, ปนความตั้งมั่นจิตมันก็จะเกิดเป็นความที่เรียกว่า ไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสกับการปรุงแต่งต่างๆเราก็ดูตอนนี้อยู่เสมอในการทําุกสิ่งตัวอย่างพยายามตามรู้ตามดูสต่างๆอันเนี้ยให้ให้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะเท่าที่ทําได้บางทีอาจจะเผลอไปบ้างหลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรกลับมาดูที่ปัจจุบันอย่ไปอ่าค้ำควรอย่าไ ป, า ย, าไปนะย้ำอย่ไปโทษ ว่าไม่น่าหลงไม่น่าเผลอไม่น่าพลาดมาคอยเอาเอาความคิดความรู้สึกผิดมามาโทษมาตำหนิตัวเองจะทั้งเกิดความทุกข์ความเศร้าหมองใจถ้ารู้สึกแบบนั้นเมื่อไรก็กลับมารู้สึกตัวใหม่ไม่เป็นไรเนือ้อจับให้เมตเนื้อจับรักตัวเองนะนื้อจับเมตตาหรื้อจับให้อภัยกับความผิดพลาดของตัวเองบ้างถ้าเราไม่เมตตาตัวเองนะไม่รักตัวเอง ไม่ให้อภัยตัวเองนะก็มันก็ยากนะแต่ไม่ใช่ให้แบบเข้าข้างตัวเองนะให้แบบที่เรียกว่าเป็นให้แบบเป็นผู้มที่มีปัญญานะให้แบบรู้จักปล่อยวางนะให้แบบเป็นมีปัญญาคือมันปล่อยวางเรื่องราวที่ผิดพ่าดในอดีตได้นะมันมีปัญญาเห็นตรงนี้ว่าอดีตมันแก้ไขไม่ได้อดีตมันก็ผ่านไปแล้วปัญญามันรู้ว่ามันทําได้แค่ปัจจุบันนะมันทําได้แค่ปัจจุบัน เราก็ต้องกลับมาดูสุดตัวที่ปัจจุบันอนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยังไม่ต้องไปไขว่คว้ายังไม่ต้องไปคิดยังไม่ต้องไปกังวลใจอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าก็ค่อยวาดกันไปนะไม่ใช่จะต้องมากังวลใจนะในตอนนีนะ้แล้วก็กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันแต่อยู่ที่ปัจจุบันก็ไม่ใช่ติดที่ปัจจุบันเช่นเดีือกันบางทีเราจะรู้สึกเอ้ยบางทีปัจจุบันคือเรากําลังคิดนะเป็นผู้คิดหรือเรากําลังเจ็บ หือเราก็จำร้อนนะการอยู่กับปัจจุบันคือการอยู่เหนือปัจจุบันอยู่เหนือสภาวะที่ตอนนี้มันเจ็บตอนนี้มันร้อนตอนนี้มันหนาวตอนนี้เออมันคิดตอนนี้มันทุกข์ใจอะไรสภาวะที่อยู่เหนือปัจจุบันคือมันเห็นว่าปัจจุบันมันมีอาการเช่นไรแต่จิตมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงปัจจุบันตรงนั้นนะมันเพียงแค่รู้เฉยๆอันนั้นที่จริง ในการทั้งสามอดีตปัจจุบันหลืออนาคตสติมันเพียงแค่เรารู้เราก็เห็นแต่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทั้งสามตรงนั้นเนาะอันนี้คือคือเรียกว่าหลักในการฝึกถ้ากเราจับหลักได้แล้วก็เอาไปทําอยู่สมเสมอจิตใจมันก็จะโน้มไปทางนี้แหละโน้มไปทางนี้แล้วก็มันก็อยู่กับปัจจุบันนะแต่วันนี้เนาะ เราก็ต้องยิ่งเรียกว่าต้องอยู่กับปัจจุบันให้ให้มากที่สุดนะวันนี้เราอาจจะได้เดินทางขึ้นขึ้นดงสกค้านนะซึ่งเป็นเขาที่สูงสักหน่อยะคนที่เคยเดินปีที่แล้วก็คงจะรึกได้ว่ามันเหนื่อยมันหนักขนาดไหนนอแต่ลองดูถ้าเราไปโอ้คิดถึงความเหนื่อยความหนักเหมือนปีของปีที่แล้วนะบางทีใจเราก็จะท้อแต่จริงตอนนี้เราไม่ได้เหนื่อยไม่หนักแบบนั้นใช่ไหมอืม ถ้าจริงเราสังเกตพอเราเดินทีละครั้งแม้มันเหนื่อยบ้างมันจะหนักบ้างหยุดพักบ้างมันก็หายไปถ้าเราใส่ใจในการเดินทุกแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนาะมันก็จะถึงยอดเขาได้เหมือนกันก็ลองดูนะวันนี้อาจจะได้เดินขึ้นก็ลองดูลองใช้หลักอันนี้แหละให้เอาจุดหมายในแต่ละย่างก้าวในการเดินทางอย่าไปคิดว่าเมื่อไใ่จะถึงนะถึงเมื่อใดก็เมื่อนั้นแหละนะ ให้ใส่ใจทุกก้าวทุกก้าวทุกก้าวของเราก็พอละหรือที่จะช่วยได้เพิ่มอีกก็บางทีมันเดินขึ้นเขาการหายใจก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกบางทีก็ต้องเรียกว่าปรับลมหายใจบ้างนะมีการพักลมหายใจหรือมีคัดบางทีก็เปลี่ยนเปลี่ยนการดูดูเท้าก็เปลี่ยนมาดูลมก็ได้นะปรับลมให้มันสบายขึ้นนะปรับลมลมปานลมหายใจให้มันสบายขึ้น การเดินก็จะเหนื่อยน้อยลงนะบางทีก็รู้จักเนี่ยรู้จักเทคนิคของร่างกายใ น, นการปรับตัวปรับใจหรือบางทีเนาหนาวอ่ะเราสังเกตไหมบางทีหนาวหนาวพอบางทีเราปรับที่ลมหายใจอให้มันยาวๆให้มันนึกๆนะก็คล้ายๆเหมือนเราสูดความอบอุ่นเข้าไปในร่างกายของเรามันมันก็จะรู้สึกอุ่นมากขึ้นนะหรือบางทีก็ขยับพยื่นเคลื่อนตัวบ้างนะ ร่างกายมันก็ได้เผาผลานพลังงานเกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายมันก็สู้กับความหนาวได้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาหรือเป็นเรื่องพื้นพื้นที่บางทีถ้าเร า, เ, าเรียนรู้กับเา้าเราก็จะปรับตัวหรือว่าเราก็จะเรียนเรียนแบบธรรมชาติได้นะแต่ถ้าบางทีเราไปคิดถึงแต่เพื่งผาสิงภายนอกจนลืมว่าที่จริง เราก็สามารถพึ่งพาสิ่งภายในของเราได้ในระดับหนึ่งนะในการช่วยเรื่องความร้อนความหนาวหรือความเหนื่อยนะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะแต่อย่าแต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธสภาวะแวดล้อมภายนอกได้ความเย็นความหนาวอย่างตอนนี้มันก็เกิดขึ้นจริงนะความร้อนในตอนกลางวันมันก็เกิดขึ้นจริงความเหนื่อยความหนักในการเดินทางไกลในการเดินขึ้นเขามันก็เกิดขึ้นจริง เราก็ยอมรับความจริงตอนนั้นแต่เราก็ปรับตัวปรับใจให้เข้ากับความจริงให้ได้ให้อยู่กับความจริงให้ได้ก็คืออยู่กับปัจจุบันตรงนั้นให้ได้นะแล้วก็ใส่ใจในปัจจุบันตรงนั้นก็พอแล้วเนี่ยการเดินทางของเราก็จะเป็นการเดินไม่ใช่เพียงแค่เข้าใกล้จุดหมายปลายทางแต่เดินถึงจุดหมายปลายทางทุกครั้งทุกก้าวที่เราเดินเนาะก็ขอให้เมื่อเราได้เดินทางตรงนี้นอยจเป็นประจา